เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนลุกนะให้นั่ง คัตสมาดแยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจดนิว้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้ บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะ่ให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้วง่วางแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั่นนะประเสริจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดไม่มีตับ้มามไตหวัวใจเป็นต้น ให้ภายในร่างกายของเราเนะนะั่นเป็นที่ลโลล ง, ว, งว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง่งเป็นที่โลงว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือคล้ายๆกับลูกอง ลูกโป่งที่ละอัดลมอัดแ ก, สก๊สเข้าไปทำให้มันพองขยายแล้วก็ล อ, อยได้ร่างกายของเราก็สมมติอย่างนั้นไงนะจ๊ะไม่มีตับไตไตพุงลโลง่งว่างกลวงกลวงภายในคราวนี้นเราก็ น้อมนำใจของเราน่มาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือดูอจำ ง, ง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้อง หรือ เ, เราจะสมมุติว่าเราหยิบเส้นด้ายกันมาสองเส้นนำมาขึงตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาจดจนตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม สมมติเอาในชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นะเรียกว่าสูงกลางกายตาที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อมเมื่อใจมันหยุดนิ่งสนิท สมบูรณ์ร0อเรแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็าไม่ต้องกังวลเกินไปเราวางใจไว้เนี่ยตรงฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมเอาเป็นว่าเราทำความรู้จักไปก่อนว่าฐานที่เจดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ เราพึงพอใจแค่ไหนก็ประมาณนั้นแหละเรามันจะเห็นชัดตต่เมื่อใจมันหยุดมันนิ่งเดชสมบูรณ์แล้วแต่ก็ต้องรู้จักเอาไว้เพราะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วคือเกิดก็เกิดตรงนี้ตื่นตรงนี้หลับตรงนี้ ตายตรงนี้เวลามาเกิดมาทางปากช่องจมูกเป็นกายละเอียดข้ามาเนะี่ยปากช่องจมูกขขงผิดายหญิงซ้ายชายขวามาตามฐานต่างๆมาที่หัวตากลางกัคคิสสะพดานปากช่องปากอาหารสำลักไปที่ วางท้องระดับสดือแล้วก็เหนือขึ้นมาจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้ของบิดาแล้วก็บังคับดึงดูดให้บิดาไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรส่วนยับหออหุ้มกายละเอียดเอาไว้พอถูกส่วนก็ดึงดูดเข้าไปสู่ขารมานดาจะไปอยู่ตรงฐานที่เจของมารดาตรงนี้ แล้วก็หล่อเลี้ยงด้วยาธาตุหยาบของมารดาเจริญเติบโตจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียกว่ามาเกิดเวลาตายเนี่ยเมื่อทุกคนต้งตายโกรมทั้งตัวเราตายใจมันจะไ่อยู่ตรงเนี้ยกรรมนิมิตมันจะฉายเห็นจากตรงเนี้ยขึ้นมา แต่เวลาเห็นไม่ได้เห็นเหมือนเราก้มมองดูนะมันก็เห็นเหมือนเรามองวัตถุสิ่งของทั่วๆไปเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพที่เรากระทำมาอันไหนเจตนากราเป็นครุ ก, กรรมก็จะชัดกว่าเพื่อนหรือเป็นอาจินกรรมทำบ่อยๆก็จะลองลงมาไปตามลำดับอย่างนี้ก็ทางถึงไม่มีเจตนา มันจะใช้เวลาไม่นานในการที่ฉายภาพหรือภาพเกิดขึ้นตรงนี้ก็เรียกวกรรมมนิมิตรซึ่งจะมีส่วนที่ทำให้ใจเรามองหรือใส่ถ้าเป็นภาพเป็นการทำความดีเนี่ยเราจะมีความปลื้มปิติภาคภูมิใจใจมันก็จะใส่แต่หากภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อับเฉาเศร้าซ่อย ใจกรหมองก็จะทําให้เห็นภาพของคตินิมิตถ้าใจหมองคตินิมิตก็ดํามืดถ้าใจสายขตินิมิตก็สว่างก็เห็นไปเรื่อยไปเล่าก็ทั่งเวลาตายเนี่ยก็จะมีสามเพลือกใจก็เคลื่อนออกไปตามฐานแล้วก็ออกทางปากช่องจมูกของตัวเรา ไม่ว่าจะตายด้วยวิธีการใดอาจจะออกจังกระทันหันหรือคอยเป็นคอยไปลหลุดออกมาเกิดตายตรงนี้หลับก็ตรงนี้แหละตื่นก็ตื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าตรงฐานที่เจ็ดทีเป็นที่เกิดหลับหลับตื่นแต่นอกจากนี้คือ สิ่งที่สำคัญจะต้องศึกษาเอาไว้ปพราะตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นทางไปสู่ความไม่เกิดด้วยแต่ว่าเดินทางโดยวิธีการที่ต่างกันถ้าจะไปเกิดมาเกิดก็เดินออกไปข้างนอกคือออกจากร่างกายแล้วออกไปทางปากช่องจมูก แต่ถจะหากไม่ไปเกิดไม่เวียนว่ายแต่เกิดต้องเดินในเข้าไปเดินเข้าไปข้างในกลางกายซึ่งมันจะเห็นแผนผังของชีวิตเราจะเข้าถึงแผนผังของชีวิตที่มันติดตัวเรามาแต่เราไม่รู้เป็นทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า ก็เรียกว่าเส้นทางอริยมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าอีกในหนึ่งเรียกว่าพิสุธทธิมรรคบางทีก็เรียกอย่างนั้นเป็นเส้นทางสายกลางภายในเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลส ท, ทั้งหลายโลภะโทสะโมหะเป็นตน้นบางทีก็เรียกว่าเส้นทางความหลุดพน้น เรีว่วิมุตติมรรคพ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสอสวะเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่นอกเหนือจากเส้นทางสายกลางภายนอกถ้าเรามีข้อปฏิบตัติโดยวิธีเส้นทางสายกลางภายในเรียกว่ามัชฌิ ม, มาปฏิปทาไม่ตึงไม่ย่อนไป เราก็จะเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในเมื่อใจเนี่ยมันหยุดนิ่งตัวนี้คือสิ่งต้องศึกษากันเอาไว้แล้วต้องจำแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้จำประโยคนี้เอาไว้ว่หยุดเป็นตัวสำเร็จ หยุดเป็นตัวสำเร็จอะไรหยุดใจที่แวบไปแวบมาคิดไปนเรื่อ ง, องราไต่างๆเอามาหยุดตรงนี้เอามาอยู่ตรงนี้อยู่จนกระทั่งมันหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เหมือนมีกาวชั้นดีตรึงใจติดไว้กับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ติดอยู่ตรงนี้แหละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเราจะเห็นเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์เป็นเส้นทางของการไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า คือเส้นทางประเสริฐที่จะห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายจากความทุกข์ตลมนันจากความไม่รู้ทั้งปวงเมื่อใจเนี่ยมันติดอยู่ทังเนี้สนิทสนิทอย่างกระทั้งเรียกว่าอัปปนาสมาธิมันแนบแน่นคือมันนิ่งนุ่มแน่น แนบแน่นคือแนบติดกับตรงนี้แหละพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในโอบลงใบละเดียวก็จะมีดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นมากลมเหมือนดวงแก้วภายนอกกลมรอบตัวมันดวงแก้วกัยสิทธิ์แต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าโปร่งเบาวกว่า มาพร้อมกับความสุขปิติความเบิกบานและความรู้แจ้งภายใ น, นจะมา ก, กันพร้อมๆกันแตกต่างจากการมองดวงแก้วข้างนอกเห็นแล้วมันก็เฉยๆอย่างนั้นแหะแต่ถ้าดวงธรรมแม้จะกลมเหมือนดวงแก้วแต่เห็นแล้วความรู้สึกมันไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างจากความรู้สึกที่ เราเคยเห็นวัตถุภายนอกกลมอย่างนั้นมาพร้อมความสุขที่ใจมันขยายใจจะโลง่งโปร่งเบาสบายขยายบริสุทธิ์หยุดนิ่งดวงธรรมจะเกิดขึ้นตรงนี้ อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศเป็นจุดเล็กๆใสๆเหมือนปลายเข็มวงทีเหมือนดาวในอากาศที่เราเคยมองเห็นในคืนเดินมืดเห็นที่ไกลลิบๆบางดวงก็เห็นชัดอย่างดาวประจาเมืองเราจะเห็นชัดสุขใสบางดวงก็ไม่ชัด ทำดวงแรกเป็นจุดมันก็จะเป็นอย่างนั้นหละถ้าไม่นิ่งนะมันไม่เห็นจะเห็นชัดอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพนจันเพนเต็เตมดวงอย่างใหญ่ขนาพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีหรือเหมือนฟองไข่แดงของไก่ สุขใสสว่างสวัยเกิดขึ้นทมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุตริสดจันทสโรผู้คลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมมานุปัสสนสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานคือทมดวงแรกนี่แหละ ความบริสุทธิ์เบื้องต้นเกิดขึ้นบางครั้งท่าน ก, ก็เรียกว่าปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าสิ่งนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราเนะจ๊ะมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่เราไม่รู้ว่ามีเพราะเร า, าจ่ายไปหมกมุ่นเรื่องอื่น ในเรื่องราวต่างๆทำตรงนี้มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งความเบิกบานมาพร้อมกันเลยความตื่นตัวภายในมันจะตื่นตัวภายในรู้สึกเราจะกระจจากระเชงมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นทีเดียว ทั้งเซลล์ในร่างกายหรือทุกอนูขุมขนเราไม่มีส่วนใดที่ไม่ได้รับความสุขหรือกระแสทานแห่งความสุขมันจะมีปิติสุขเบิกบานเมื่อทำดรงนี้เกิดนี่แหละคือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานทีเ่เรียกว่าปตมมรรคแลวจะปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตาม ถ้ายังไม่เจอธรรมดวงนี้แล้วก็ไปนิพพานยังไม่ได้หรอกจ้าเพราะธรรมรงนี้เป็นปฐมเลยเป็นตัวชี้บอกว่าเรามาถูกทางแล้วมาถึงจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามจะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้แต่ตอนสุดท้ายมันต้องได้ตรงนี้ ถ้าไม่ได้ตรงนี้แล้วก็ไปนิพพานวิถูนี่ทำดวงนี้แหละวิะจา้ณวิธีปฏิบัติแต่มันมีหลากหลายหลากหลายอย่างเป็น ล, ยล่ยเลยเป็นพันแต่สรุปยอมันในวิสุทธิมรตมีสี่สี่ิธีแต่ปัจจุบันนี่ก็แตกตัวมาอีกหลายวิธีเราก็ใช้ความภาวนาต่างกัน บังแห่งกับพุโทโธธรรมโมสังโฆสัมมาอรหังยบนาพองนาสัมพุโทโณนะมะพัทธเป็นต้นบางทีก็นอกเหนือคำเหล่านี้แหละคำภาวนาจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมภายในตัว ไว้อยู่ ข, ขับเน้อตัวแล้วแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปไม่ว่าจะภาวนาเกสาโลมานะคะทันตาแตจพุตโตธม โ, โ, โมสังโฆสมาอรหังยศนอพงน้องหรืออะไรกันแล้วแต่มันจะหายไปให้คล้ายๆเราลืมไปเลือนไป หรือไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆถึงจุดอิ่มตัวแห่งการภาวนาใจมันจะนิ่งนุ่มนิ่งนุ่มแน่นถ้าตรงนี้ถ้าทำเป็นโมเลกย์ต่อตรงนี้แล้วก็ควรจะปล่อยให้มันนิ่งนุ่มแน่นอย่างนั้นอย่าเป็นแนน นิ่งนม่มแน่นสบายตักตวงความสุขปิติเบิกบานเป็นรางวัลของการนำใจมานิ่งซึ่งจะเป็นช่วงจังหวาที่ใจเอาชนะนิวรัทั้งห้าได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเบิกบานจะเกิด แสงสว่างจะเกิดความสุขเบื้องต้นก็จะเกิดคือความสบายกายสบายใจที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยคิ ด, ดว่าความสุขบางคนบอกความสุขอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มึงก็ไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นอาการสนุกสนานพลดพลนติดเกมติดอะไรต่างๆแเหล่านั้นมนบางคนก็ว่าอยู่ที่ การพ น, นันอบายมุกบ้างกับดูหนังดูละครหรือในรูปเสียงกีรตสัมผัสอะไรเหล่านั้นแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าความสุขมันถูกครอบด้วยความหายันนะของชีวิตโดยเราไม่รู้สึกตัวเลยมันติด ก, กันอยู่ตรงนั้น หรือม้กระทการเชียร์บอลเชียร์อะไรซึ่งถูกพ่วกวิธาการมันนั้นมันมีลุ้นละทึกอะไรต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายนันไปได้สัมผัสความสุขเลยเรากำลังถูกทำให้หลงทางเบี่ยงเบนไปจากความหมายของคาว่าความสุขที่แท้จริง แต่เมื่อไหร่มันใจมันหยุดมันนิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มได้สมัมผัสกับความปิติที่สามารถเอาชนะนิวรณ์ทั้ง5ได้การประจันตะพยาบาทอะไรเล่นั้นเป็นตน้นแล้วมันก็จะสบายกายสบายใจสบายเบิกบานในระดับหนึ่งมันก็จะนิ่ง เพราะที่ไหนอยู่เย็นตรงนั้นเป็นสุขมันจะอยากอยู่ตรงนั้นแหละเพราะใจมาอยู่ตรงนี้มันเย็นเย็นกายเย็นใจสบายสบายตัวเนื้อมันหายไปหมดเลยเหมือนไม่มีร่างกายแสงสว่างมันจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์แสงแรกที่ใจหลุดจากนิวรณ์ทั้งห้า ระว่างและเมื่อตกศูนย์วูบลงไปมีดวงทําลอยกันมาตรงนีน้มีฐานของใจแล้วใจมีฐานแล้วมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเป็นดวงใสที่นี้ระหว่างการปฏิบัติช่วงเนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เรียกว่าวิตตกวิตกคำนี้ไม่ได้แปลวิตตกจริต คือเราตรึกระลึกนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึง่งวิจารคือให้มันต่อเนื่องกันไปกระทั่งอาชนะดิวอ์ได้ระดับหนึ่งก็เกิดวิติอาชนะแล้วมีสุขเป็นรางวัลกระทั่งหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีนิมิตที่เลื่อนลอย นิมิตเลื่อนลอยมันเกิดมาหลากหลายเป็นนิมิต ท, ที่ทำให้เกิดความเยินดีก็มีเกิดความเยินร้ายก็มีคือพึงพอใจก็มีหรือไม่ชอบใจก็มีหรือเฉยๆดูเกิดขึ้นอีตรงนี้ช่วงระหว่างเนี้ไปถึงช่วงก่อนถึงปฐมมรรคเป็นช่วงที่พระ บุรณาจารย์ครูบาาจารย์ท่านจะแนะนําว่าอย่าไปติดนิมิตคำว่าอย่าไปติดนิมิตก็ใช่ช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นจากวิตตกวิจาร์ก่อนมาถึงวัฏมรมักซึ่งเป็นภาพสุดท้ายเป็นนิมิตสุดท้ายคือบางทีอาจจะเห็นภาพคนสัตว์จริงของนรกสวรรค์เรื่องเล่าอะไรต่าง ซึ่งเห็นจริงแต่มันสิ่งที่เห็นมันไม่จริงเห็นตอนมากลากไม้พูเขาเลาะก้าวเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจานึงแนะนำว่าจะไปเต้นนิมิตหมายเอาช่วงนี้ไม่ใช่เหมาเอ า, เอาหมดคล้ายๆสมมุติเราอยู่ที่บ้านเราอยากจะมาวัดพระธรรมกายเราก็นั่งรถมา เราผ่านภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมีตึกลามบ้านช่องเสาไฟฟ้าถนนหน้นทางรถ ล, ลาสวนกันผู้คนสุนักนกกาอะไรต่างๆถ้าเราไปแวะข้างทางตรงนั้นมันก็มาไม่ถึงวัประธรรมกายาสมมติมาจากกรุงเทพเอามาถึงดอนเมืองเราเห็นภาพเครื่องบินเครื่องอะไรต่างๆ เนื่กว่าตรงนี้เป็นวัดป ร, ร, รมกาลไปแวะตรงนั้นก็ไม่ใช่หรือมาถึงลังสิตอ่านเนื่อก็เป็นวัดป ร, รมกาลมันก็ยังไม่ใช่มันจะมีภาพเหล่าเนี้ยเลื่อยมาเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจคือมีภาพอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายเหมือนดูทิวทัศน์อัรถสวนมาแล้วก็หลบก็ไม่หลีกกันไปแสงก็มังเขาแซงแลรามั่งไปเรื่อยๆ โดยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมีแต่ใจมุ่งจะมาวัตพระธรรมกายและในสุดเมื่อเข้ามาถึงวัตธรรมกาย อ, อ๋อมันแตกต่างจากที่เราผ่านมาเรามีมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งที่อื่นไม่มีนี่สมมุติเอาเอะจ้ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกอันไหนเป็นนิมิตเลื่อนลอยที่ไม่ควรติดสิ่งเราคุณนกับคําว่าอย่าไปติดนิมิต หมายเอาช่วงนี้ช่วงตั้งแต่ใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องการเรื่องทรัพย์โกรธขัดเครืองขุ่นมัวสงสัยแรงเลง่วงเคลิม้มทอกระทั่งฟุ้งไปในเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นซึ่งพอใจมันว่างสิ่งก็จะมีภาพอะไรที่มันสั่งสมอยู่ในใจเรา ถ้าเราผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆมันมาเป็นภาพเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงอะไรต่างๆมันก็เก็บเอาไว้ในใจพอใจจะเริ่มเดินทางเข้ามาสู่ภายในสู่การหยุดนิ่งมันก็จะคลายตัวออกมาเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมันไม่จริงเนี่ยมันคลายออกมาเป็นภาพบางทีภาพอารกภาพสวรรค์อะไร อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามันก็นมาประติดประต่อเป็นคุ้มเป็นแควกันไปนี่มิตรเลื่อนลอยจะเกิดตรงช่วงนี้ถ้าเราไม่สนใจมันคือนนิ่งนุ่มแน่นสบายต่อไปดูไปเฉยเฉยเหมือนดูทิวทัศน์ก็จะถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจเนี่ยค่อยๆตกตะกอนละเอียด นมถูกส่วนก็ตกสนยนวูบทำดวงแรกที่เกิดขึ้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันท ร, ร์วันเพลนอย่างใหญ่ขนาดดวงอาทิตย์อย่างที่งวันหรือใหญ่กว่านั้นเรามาถึงที่หมายเบื้องต้นแล้วเหมือนมาถึงสถานีที่เราจะขับรถเคลื่อนกันต่อไป เป็นปรถหลายๆลพลัดส่งไปถึงที่หมายดวงธรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ในิมิตเลื่อนลอยต้องแยกให้ออกนะลูกนะทีนี้ถ้าใครไม่มีประสบาการณ์อย่างนี้มันจะแยกไม่ออกอันไหนจริงอันไหนเลื่อนลอยดังนั้นก็สรุปจำง่ายๆว่าภาพสุดท้ายคือดวงใสๆในจุดเบื้องต้น ถ้าถึงดวงใสๆสแสดงเราผ่านนิมิตเลื่อนลอยมาแล้วใจตั้งมั่นแล้วเป็นเอกคคตาเป็นหนึ่งแล้วดวงใสก็เกิดที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอมาถึงตรงนี้ได้ก็เย็นใจได้เลยวเวลาต้องไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยมีสุขแล้วก็มีชัยชนะอย่างแน่นอน ที่บางท่านพอมาถึงดวงใสๆก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักเพราะไม่ได้รับคำแนะนำก็เหมารวมมาว่าดวงใสๆเป็นนิมิตเลื่อนลอยไปด้วยนี่คือข้อพลาดพอมาถึงนี่เห็นแล้วก็แนะนำให้หายไปซะได้มาว่าเป็นนิมิตเลื่อนลอยด้วยประโยคถ้อยคำที่คล้ายๆกันมัน่ง ไม่สนใจมันหรือนึกถึงคำภาวนาหรือคำใดคำหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ว่าจะนึกคำอะไรขึ้นมามันก็หายเออะก็หายเอนิมิตเลื่อนลอยมังหายอีกหรือจะนึกถึงประโยคคํคำอะไรที่เราคุ้นๆมันก็หายอีกพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะ ไปกระตุ้นให้เกิดความคิดใดๆทั้งสิน้นเราต้องนิ่งต่อไปจึงจะถูกต้องนิ่งเพราะนบางแห่งบอกให้หายไปอย่าไปสนใหญ่ใช้คําว่าดวงใสๆคือกองขี้ควายนะบางคนเข้าใจว่าโอ้มันไม่มีความหมายเนะี่ยเหมือนขี้ควายเนะี่ยควายมันยังไม่สนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีประโยชน์เพราะไม่สนเงนิน้วมันก็หายไปเหลือแต่ความสว่างที่กว้างๆความสว่างที่กว้างๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้หลงทางได้เพราะช่วงนี้เนี่ยมันมีความสุขแล้วมันมีความรู้อะไรที่ดูเหมือนจะแจ่มแจ้งในหลักธรรมคาสอนคำว่าสมมาสมุจ้าวคล้ายๆมันจะแตกฉานไปหมดทุกคํา เลยเข้าใจว่าเป็นธรรมวิจัยะคือการวิเคราะห์วิจัยธรรมมันจะชุ่มชื่นใจปิติใจภาคภูมิใจว่าเราแจ่มแจ้งขบคิดขอ้อธรรมของพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้ารู้สึกแตกฉานอิ่มอกอิ่มใจหรือใช้ความสว่างในตอนช่วงนี้มาพิจารณากายคตาสติผมก็เล็บฟันหนังอะไรก็แล้วแต่ เลยจะเจริญอสุภะกรรมฐานตอนนี้จะเห็นภาพของซากศพชัดเลยแต่มันแปลกซากศพมันจะเป็นแก้วและจะนึกคิดไอ้มันแยกแยะ ก, ก, กันยังไงก็ได้ไอเป็นปฏิกูลก็ได้ไม่เป็นปฏิกูลก็ได้หรือไม่เป็นทั้งสองอย่างก็ได้ปฏิกูลก็ไม่ใช่ไม่ปฏิกูลก็ไม่เชิงยอะไรเงี้ยแย ก, แยกพอพิจารณา บ่อยๆในกายยกาษสติใจมันก็เบื่อหน่ายในกายในกายเราและกายคนอื่นจึดมันก็รวมอีกแล้วสงบนิ่งพอถึงดวงกระเพิกดวงคือปล่อยดวงเอาแต่ความสว่างสงบนานบางทีเป็นวันบางทีหลายวันพอใจถอนกับมามันก็ดึงเอาความสุขติดมาด้วยมันชุ่มชื่นแล้วจเหมือนจะแตกฉานในข้อธรรมะ มีความรู้มิติอีตรงเนี้ใครไปแนะนํำละยากแล้วบางคนติดอย่างนี้จนตายแต่ก็สบายและการดึงความสุขที่ออกมาตอนนี้มันจะขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อผิวพรรณมันน่าจะเปล่งปังพ่องใสเบิกบานท้อใจของผู้ที่เขาถึงนี่มันจะชุ่มเย็นมันเย็นใจเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีทีเดียว ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะทาให้เราไม่ได้เดินทางกันต่อไปเหมือนจะมาวัดรรมกาลไปติดแถวลังสดท่งินนั่นก็ต้องทำความเข้าใจว่าอย่าให้หายและอย่าเอาตรงนี้มาใช้ขบวนการคิดต่อไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นกุศลละธรรมก็ตามหรือเป็นข้อธรรมะก็ตามสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือ ยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวยุดเป็นตัวสำเร็จนี่แหละเพราะฉะนั้นพอถึงดวงตรงนี้เมื่อเราผ่านนิมิตเลื่อนลอยไปแล้วและเข้าใจดีขึ้นว่าไม่เหมาว่าเอาดวงปฐมมัรคนี้เป็นนิมิตเลื่อนลอยไปด้วยให้ทาใจนิ่งต่อไปพอ n นุน่มต่อไปก็เคลื่อนกไปสู่ภายในทีิเรีกว่คมันนะ เราได้ยินคำว่าไตสรณคมหรือไตสรณ์คัมมณะคือการแล่นกับไปหาพระรัตนตรยัยที่มีอยู่ภายในตัวของทุกคนในโลกใจกําลังเคลื่อนกันไปเนี่ยเราอย่าไปยั้งอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนไอ้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยครูผู้มีประสบการณ์ภายในแนะนําให้ปล่อยกัาไปเรื่อยๆคือดูไปเรื่อยๆ ทีนีก่อนที่จะถึงวัตถุมงคตรงนี้เนี่ยแมอีกนิดหนึ่งสำหรับบางคนที่เอาองค์พระเป็นนิมิตพะมปฏิบัติที่สานักนี้ไอ้ตึกโดงหรือองค์พระบางทีก็จะเห็นองค์พระขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่ขึ้นมาในระดับช่วงนี้ช่วงระหว่างเริ่มต้นกระทั่งใจนิ่งระดับหนึ่ง ตึกองค์พระมันก็จะเห็นองค์พระตรึกดวงมันก็จะเห็นดวงตรึกดวงในองค์พระก็จะเห็นดวงในองค์พระตรึกองค์พระในดวงก็จะเห็นองค์พระในดวงมักจะมีข้อสงสัยว่าเราคิดไปเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงไอความสงสัยและวิจิจจฉา ต, ตัวนี้ก็เป็นอุปกเล์อันหนึ่งก็คือเป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ ทำให้ใจมาคิดแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงความคิดอย่างนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ช่วงก่อนถึงมัทรรมมักเริ่มต้นไปถึงมัตธรมมักอยู่ช่วงนี้ถ้ามีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่ามันยังไม่ใช่เพราะถ้าใช่ไม่มีความคิดอย่างนี้ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นในตอนช่วงนี้สิ่งที่เราจะต้องทามีเพียงประการเดียว คือดูไปเฉยๆ เ, เห็นองค์พระก็ดูองค์พระเห็นดวงก็ดูดวงเห็นดวงในองค์พระก็ดูดวงในองค์พระเห็นพระอยู่กลางดวงเราก็ดูพระในกลางดวงก็ดูไปเรื่อยๆตรงเนี้ตกมาตายกับไอ้ตรงนี้กันเยอะที่มาเรียนในสํานักเนี้ยเฮ้ยสานักเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ต่างๆกัน เพรนั่นสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูไปเยอะเฉยต้องคิดอะไรจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการณ์ลเรากำลังเรียนกันในระดับนักเกรียนอนุบาลไม่ใช่เรียนในระดับที่เราเป็นโ p r o f e s อร์เป็น doctor จะต้องทําหัวข้อวิญญาณิผ์วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ว่าคิดเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริง เรายังไม่ถึงขั้นนั้นความคิดเนี่ยขั้นนี้ยังเอามาใช้ไม่ได้ต้องใช้ความไม่คิดคือมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายเดินไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นมันแปลกอยู่อย่างเหมือนมีกรร ม, มาบังหลวงพ่อกรแนะนําอย่างนี้มาเนี่ย40ปี แต่พอถึงตรงนี้ตกมาตายกันเกือบจะทุกคนเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดเองหรือไม่ใช่ไม่ใช่มั้งมันง่ายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะธรรมะเป็นของลึกซึ้งจะต้องเข้าถึงยากมาคิดว่ามันต้องยากนะมันก็เลยพอเราได้ง่ายขึ้นมาแล้วก็นึกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนี่ยแม้ยังไม่ใช่ปฐมมรรค ก็ไม่ควรเอาความคิดมาคิดในช่วงนี้ต้องจำนะลุงนะทำไปจำ ม, มันเป็นอย่างเงี้ยไปจนตายแหละซึ่งเราก็จะต้องไปแก้ไขอีกทีตอนเราเกิดใหม่นะนะั่นแหละทีเราก็จะต้องเลือกเอาว่าเราจะทำความเข้าใจตอนนี้หรือจะเอาเข้าใจชาติหน้าหรือ10ปี้างหน้าหรือ20ปีหรือก่อนตายดีมันก็แล้วแต่เราเนี่ย จะตัดสินใจเอาแต่จะออกแบบชีวิตเราไปเข้าใจชาติหน้าก็เอาก็คิดวนๆกันไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่คิดเองหรือว่าเกิดขึ้นจริงหรือนิมิตเลื่อนลอยมังหรือเพิกนิมิตหายไปก็แล้วแต่เราอะถ้าเราอยากจะแค่ว่ามีประสบะการณ์ภายในเล็กน้อย ได้คันติบารมีความเพียรแล้วเราไปเอาดีชาติหน้าก็ให้ทำอย่างที่ที่เคยทำกันเองแหละที่หาวิธีการเอง แ, แต่ถ้าอยากจะรัดเพื่อให้เขาถึงพระรัตนตรัยในตัวเร็วๆเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดอยู่ในโลกนี้ก็ทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุตรสดจันทสโรอุรคนภพวิชาธรรมกาย ซึ่งด่านผ่านขั้นตอนแบบพวกเรามาแล้วนะเอ๊ะใช่ไม่ใช่เอ๊ะงั้นเอ๊ะนี้นิมิตรเลื่อนลอยหรือจริงมานานแล้วนะท่านก็นสรุปให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสาเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์คือไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดก็นิ่งอย่างเดียวถ้าเราทำตามนี้เราก็สามารถเขาถึง เพราะรัตนตรัยในตัวได้ในชาตินี้ไม่ต้องไปคอยชาติหน้านะแล้วก็พบชาติสภาจะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อกันไปอีกไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นยดนี่เป็นตัวสาเร็จลุกนะสำคัญนะจ๊ะสิ่งที่พูดไปในะจะฟังมันผ่านนะแต่ฟังผ่านแล้วติดข้ามชาติไปเลยไอ้ที่เสียเวลาในการสร้างบา ร, รมีกันมาหลายชาติ ก็หนึ่งขี้เกียจทาสองไม่ได้ทาหรือสามได้ทำแต่ ว, ว่ากระทาไปค้นหาตามวิธีของตัวมันก็ชาไม่ทําตามที่บรมโอธิต์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านแนะนำได้สั่งสอนท่านค้นมาให้เราแลว้วเราแค่คว้าเท่านั้นแหละทําตามเหมือนอาหารตักเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างเดียว ไม่ต้องไปปลูข้าว น, นานๆางนั้นละกว่าขาบวนการนั้นมาถึงข้าวเข่าปากเนี่ยมันยากอย่าไปเสียเวลากันเลยนะลูกนะเมื่อเข้าใจกันอย่างดีๆแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆไม่ใช่ลำบากลำบากนะลูกนะทำใจหลุมหลวม เหมือนสวมเสื้อผ้าหลุมๆทำใจให้เบิกบานสมกับเป็นผู้มีบุญที่จะเข้าถึงธรรมภายในได้อย่างงา่ายๆอากาศกำลังสบายเป็นสบายยะเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระ ล, ลึกอันสูงสุดก็ให้ลูกทุกคนฝึกหยุดใจนิ่งๆอย่าไปตั้งใจมากเกินไป จะอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นเกินไปอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้ามองเฉยๆอย่างสบายๆมีความมืดให้มองก็มองความมืดแต่ให้เป็นมืดสบายมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปนิ่งๆเราจะภาวนาว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรังสัมมาอรังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องไม่ใช่ดังที่สมองนะจ๊ะเหมือนเสียงที่ล่องลอยมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในจากอยนายตนะนิพพานผ่านมาในกลางกายขจัดมลทินที่มีอยู่ในใจเราให้มันหมดไปแปลเปลี่ยนอคุโสลธรรม เป็นกุศลธรรมสังัดจากกามจากบาปอกุศลทั้งหลายและใจก็จะต่างวันอย่างดีเลยให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเยียบนะลูกนะ